สิขาบทวิพัง45คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดมีการงานมีชาติวันนะมีชื่อมีตระกูลมีลักษณะนิสัยมีคุณธรรมมีอารมณ์อย่างไรเป็นเถระนวกาหรือมัชิมะนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันนึ่ง ได้คำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอชื่อว่าภิกษุเพราะอาศัยการเที่ยวขอชื่อว่าภิกษุเพราะใช้ผืนผ้าที่ถูกทำให้เสียราคาชื่อว่าภิกษุเพราะเรียกกันโดยโวหารชื่อว่าภิกษุเพราะการปฏิญาตน ชื่อว่าภิกษุเพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้อุปสมบทด้วยไตรสรนคมชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้เจริญชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้มีสาระชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ยังต้องศึกษาชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ที่สงพร้อมเพียงกันอุปสมบทให้ด้วยยติจตุตกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่เหตุในภิกษุที่กล่าวมานั้นภิกษุผู้ที่สงพร้อมเพียงกัน ประสมบทให้ด้วยยติจตุตกรรมที่ถูกต้องสมควรแก่เหตุนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คําว่าศิกขาได้แก่ศิกขาสามอย่างคืออธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญ า, าสิกขาในสามสิกขานั้นอธิศิลสิกขานี้ที่ทรงประสงค์เอาในความหมายนี้ที่ชื่อว่าสาชีพ หมายถึงสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ภิกษุศึกษาสาชีพนั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ถึงพร้อมด้วยสาชีพคําว่าไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้มีพุทธาทิบายว่าภิกษุทั้งหลายการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขาก็มีการเปิดเผยความท้อแท้และเป็นการบอกคืนสิกขาก็มี